เท่านผู้มีเจตเมตตากรุณาใจบุญใจกุศลทุกๆ ท, ท, ท่านวันนี้เป็นวันเสาร์ที่30เมษายนพุทธศักราช2559เป็นวันที่ท่านทั้งหลายมีเวลาว่างจะกภารวิกิจการงานต่างๆจึงได้ตั้งใจมาวัด เพื่อมาเสริมความเป็นเสรีมงคลให้แก่ชีวิตด้วยการเข้าหาบัณฑิตด้วยการหลีกเลี่ยงไม่เข้าหาคนโง่คนไม่ฉลาดเพราะว่าเวลาที่เราเข้าหาคนคบค้าสมาคมคนที่เราคบค้าสมาคมด้วยจะมีอิทธิพลต่อชีวิตของเรา ถ้าเราคบคนฉลาดเขาก็จะสอนให้เราฉลาดถ้าเราคบกับคนงอก<ๆ>เขาก็จะสอนใหเราโงา่ดังนั้นพระพุทธเจ้าจึงบอกว่าใหหลีเลี่ยงการคบกับคนงอให้คบกับคนฉลาดเพราะถ้าเราคบกับคนที่ฉลาดกว่าเราเราก็จะได้ความรู้จากเขาถ้าเราคบกับคนงอกว่าเรา เขาก็จะเอาความโง่มาสอนเราความโง่นั้นไม่ได้นำไปสู่ความสุขความเจริญแต่นำไปสู่ความทุกข์ต่อความเสื่อมเสียต่างๆความฉลาดเป็นสิ่งที่จะนำพาเราไปสู่ความสุขความเจริญอย่างเด็กๆนี่พ่อแม่ต้องส่งไปโรงเรียนพรพ่อแม่ไม่มีเวลาที่จะถ่ายทอดความรู้ต่างๆ ให้แก่ลูกเพราะพ่อแม่มีภารกิจต้องทำมาหาเงินหาทอง mm. เพื่อมาเลี้ยงปากเลี้ยงทองเลี้ยงครอบครัวจึงไม่มีเวลาที่จะอบรมสั่งสอนสิ่งที่ดีสิ่งที่งามต่างๆจึงต้องส่งลูกๆไปเรียนหนังสือเพราะถ้าได้เรียนหนังสือก็จะได้ความรู้อันนี้ก็เป็นการเข้าหาบัณฑิตอย่างหนึ่งการไปโรงเรียน ไปหาคนที่ฉลาดกว่าเราเช่นครูบาจารย์ท่านมีความรู้ท่านเรียมนามากกว่าเราเราจึงต้องไปศึกษาจากผู้ที่มีความฉลาดมีความรู้มากกว่าเราพอเราได้เรียนรู้แล้วเราก็จะได้รับความฉลาดแล้วเราก็เอาความรู้ความฉลาดนี้ไปเป็นเครื่องมือทำหาหากินเลี้ยงปากเลี้ยงท้องต่อไป แต่เรื่องของบัณฑิตรหรือคนฉลาดนี้ก็มีอยู่สองชนิดด้วยกันคนฉลาดทางโลกกับคนฉลาดทางธรรมคนฉลาดทางโลกนี้ก็เป็นพวกที่เรียนจบปริญญาต่างๆเช่นปริญญาต ร, รีปริญญาโทปริญญาเอกคนเห่านี้เราเรียกว่าเป็นคนฉลาดทางโลกแต่คนฉลาดทางโลกนี้ สู้คนฉลาดทางธรรมไม่ได้เพราะคนฉลาดทางโลกนี้ยังเอาตัวไม่รอดเอาตัวไม่รอดจากอะไรก็ยังเอาตัวไม่รอดจากความทุกข์ความวุ่นวายใจต่างๆแต่คนที่ฉลาดทางธรรมนี้สามารถเอาตัวรอดจากความทุกข์จากความวุ่นวายใจต่างๆได้ดังนั้นนอกจากการคบคนฉลาดทางโลกแล้ว เรายังต้องคบคนเจลาตทางธรรมด้วยเพราะว่าเราจาเป็นที่จะต้องมีความรู้ความเจลาดทั้งทางโลกและทางธรรมความเลาดทางโลกก็จะทำให้เรามีอาชีพที่ดีมีมีความรู้ที่จะไปประกอบอาชีพที่จะทำให้เรามีไรายได้ดีส่วนคนเจลาดทางธรรม เราก็ต้องเข้าหาเพื่อที่เราจะได้รักษาใจของเราไม่ให้ทุกข์ไม่ให้วุ่นวายใจคนฉลาดทางธรรมก็คือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นี่พระพุทธเจ้านี้ถือว่าเป็นคนฉลาดทางธรรมที่สุดเป็นคนที่รู้ที่ฉลาดมากที่สุดเพราะเป็นคนที่สามารถดับความทุกข์ใจต่างๆ ที่มีอยู่ในใจของพระองค์หมดไปได้ด้วยตนเองไม่มีใครสอนเพราะไม่มีใครรู้วิธีที่จะดับความทุกข์ใจต่างๆให้หมดไปได้ก่อนหน้านั้นพระพุทธเจ้าก็มุ่งศึกษาหาครูหาอาจารย์ทำๆเพื่อสอนให้ดับความทุกข์ทางใจแต่ในสมัยนั้นไม่มีใครรู้จากวิธีดับความทุก ทำใจได้ร้อเอร์ซดับได้เพียง 50% ซคือวิธีดับที่เขาดับกันสมัยก่อนที่จะมีพระพุทธเจ้ามาตัดสรุปเขาก็ใช้การดับความทุกข์ด้วยการทำบุญให้ทานด้วยการรักษาศีลด้วยการนั่งสมาธิทำใจให้สงบเขาก็พอที่จะดับความทุกข์ต่างๆไปได้ในระดับหนึ่ง แต่ยังดับไม่หมดเวลาเขาเข้าไปในสมาธิความทุกข์ความมุ่นหมายใจต่างๆก็หายไปหมดแต่พอออกจากสมาธิมาพอมาออกมารับรู้เรื่องราวต่างๆความทุกข์ใจก็กลับมาอีกเช่นเวลามารับรู้เรื่องร่างกายของตนว่าจะต้องแก่จะต้องเจ็บจะต้องตายพอคิดถึงความแก่คิดถึงความเจ็บคิดถึงความตาย ใจก็จะไม่สบายขึ้นมาไม่มีใครรู้จักวิธีที่จะทำให้ความทุกข์ใจนี้หายไปอย่างไม่ต้องเข้าไปในสมาธิได้หายไปอย่างถาวรหายได้ชั่วคราวเวลาเข้าไปในสมาธิใจสงบใจไม่ไปคิดถึงเรื่องของร่างกายใจก็ไม่ทุกข์กับเรื่องของร่างกายแต่พอออกจากสมาธิมา พอเห็นรนาากายของตนเองเห็นรนาากายของคนอื่นเห็นคนแก่เห็นคนเจ็บเห็นคนตายใจก็ไม่สบายขึ้นมาพระพุทธเจ้าจึงต้องไปศึกษาด้วยตนเองไปค้นคว้าหาเหตุหาผลว่าอะไรทำให้ใจไม่สบายเวลาเห็นคนแก่เห็นคนเจ็บเห็นคนตาย ในที่สุดพ่องก็ส่งค้นพบว่าความไม่สบายใจเกิดจากความอยากไม่แก่อยากไม่เจ็บอยากไม่ตายนี้เองเวลาเราอยากไม่แก่พอเราต้องเจอความแก่เราก็จะไม่สบายใจเวลาเราอยากไม่เจ็บไข้ได้ป่วยพอเราเจอความเจ็บไข้ได้ป่วยเราก็จะไม่สบายใจเวลาเราเจอ ความตายเราก็จะไม่สบายใจถ้าเรามีความอยากไม่ตายแต่ถ้าเราหยุดความอยากไม่แก่อยากไม่เจ็บอยากไม่ตายได้เวลาเราเจอความแก่ความเจ็บความตายเราจะรู้สึกเฉยเฉยเราจะไม่เดือดร้อนนี่คือสิ่งที่พรจะพุทธเจ้าได้ทรงค้นพบด้วยตนเอง เพราะไม่มีใครรู้มาก่อนว่าความทุกข์ของใจนี้เกิดจากความอยากต่างๆไม่ว่าจะเป็นความอยากในทางรูปเสียงกลิ่นรสเช่นอยากดูอยากฟังอยากดื่มอยากลิ้มรสอยากไปเที่ยวตามสถานที่ต่างๆพอไม่ได้ไปก็จะเกิดความทุกข์ใจขึ้นมาอยากได้ข้าวได้ของอยากได้กระเป๋า อยากได้รองเท้าอยากได้เสื้อผ้าอยากได้มือถือเครื่องใหม่ถ้าไม่ได้ก็จะเสียใจไม่สบายใจอยากได้แฟนพอไม่ได้แฟนก็เสียใจพอได้แฟนมาก็อยากให้แฟนไม่จากเราไปพอแฟนจากเราไปก็เสียใจแต่ตอนที่เราไม่มีแฟนเราจะไม่รู้สึกเสียใจ แฟนจะอยู่หรือไม่อยู่เราจะไม่เดือดร้อนเพราะเราไม่มีความอยากให้แฟนจากเราไปหรือไม่จากเราไปเพราะเราไม่มีแฟนดังนั้นถ้าเราอยากจะไม่มีความทุกข์ใจเราต้องมาฝืนความอยากกันอย่าทำตามความอยากกันยกเว้นความอยากที่ดีความอยากนี่มีความอยากที่ทำให้ใจทุกข์ แล้วก็ความอยากที่ทำให้ใจสุขนะความอยากที่ทำให้ใจสุขนี้ทำได้เช่นอยากทำบุญให้ทานอย่างนี้ทได้อยากรักษาศีลทาได้อยากนั่งสมาธิอยากฟังเทศน์ฟังธรรมอยากบวชนี่เป็นความอยากที่ดีความอยากแบบนี้ทำได้ทำแล้วจะทำให้เราไม่มีความทุกข์ใจ ความอยากที่จะทําให้เราทุกข์ใจอยากไปทําเช่นอยากดูนั่นอยากฟังนี่พอไม่ได้ฟังก็จะเสียใจพอได้ฟังแล้วก็อยากจะฟังเรื่อยๆไม่มีความหมดความอยากนี้ไม่มีความหมดพอเราอยากดูภาพยนตร์พอเราได้ดูแล้วเดี๋ยวก็เกิดความอยากจะดูภาพยนตร์เรื่องใหม่ขึ้นมาอีกมันจะอยากไปเรื่อยๆ ดูเรื่องนี้แล้วก็ดูเรื่องนั้นต่อดูเรื่องนู้นต่อดูไปเรื่อยๆเพราะความอยากมันจะไม่หมดไปกับการทำตามความอยากวิธีที่จะทำให้เราหมดจากความอยากก็คือเราไม่ต้องทอยากไปทำตามความอยากเวลาเราอยากดูภาพยนตร์เ้วก็บอกไม่ดูดีกว่าพอเราไม่ดูทั้งต่อไปความอยากจะดูก็เบาลงไป พอขั้งที่สองอยากจะดูเราก็ไม่ดูอีกเดี๋ยวขั้งที่สามมันก็จะอ่อนลงไปเรื่อยๆเดี๋ยวขั้งที่สี่ขั้งที่ห้ามันก็จะหมดกําลังไปไม่เชื่อลองทำดูแลทาต้องทำด้วยเหตุผลว่าทาไมต้องไม่ดูต้องบอกว่าพอดูแลมันจะทำให้เราติดเหมือนคนติดยาเสพติดนะการติดยาเสพติดนี่ดีไม่ดนะีถึงแม้ว่าจะมันจะมีความสุข ขณะที่ได้เสพยาแต่เวลามันติดแล้วมันจะเดือดร้อนเพราะว่ามันจะต้องหายามาเสพอยู่เรื่อยๆแล้วถ้าเวลาใดหายาเสพไม่ได้มันก็จะทุกขขึ้นมา ท, าทันทีแล้วยาเสพติดก็มีพิษร้ายแรงต่อร่างกายเสพไปมากๆเดี๋ยวก็ทำให้ร่างกายตายได้เราต้องมองเห็นโทษของสิ่งที่เราอยาก ถ้าเราเห็นโทษแล้วเราจะกลัวมันเหมือนกับเราเห็นยาพิษอย่างนี้เราจะรู้ว่ามันเป็นโทษเราจะไม่อยากดื่มยาพิษกันฉันใดทุกสิ่งทุกอย่างที่เราอยากไม่ว่าจะอยากดูอยากฟังสิ่งต่างๆสิ่งต่างๆนี้ก็เป็นเหมือนยาพิษเพราะว่าพอเราได้ดูได้ฟังแล้วเราก็จะติดพอติดแล้วเราก็ต้องดูอยู่เรื่อยๆ เวลาใดที่เราไม่ได้ดูเวลานั้นเราก็จะทุกข์ขึ้นมา ท, าทันทีนี่คือเรื่องของความอยากเราต้องเห็นโทษของมันแล้วเราพยายามฝืนมันถ้าเราไม่มีกำลังฝืนเราก็ต้องสร้างกำลังฝืนขึ้นมากำลังที่จะทำให้เราฝืนความอยากได้ก็คือการทำใจให้สงบการนั่งสมาธิ ถ้าเรานั่งสมาธิทำใจให้สงบได้เราจะมีกำลังฝืนความอยากต่างๆได้และพอเรามีปัญญามาบอกว่าทำอย่างนี้แล้วจะเป็นทุกข์มากกว่าเป็นสุขเราก็จะได้ไม่ทำาันนะดังนั้นถ้าเรายังฝืนความอยากไม่ได้สแสดงว่าใจเรายังไม่มีกำลังงั้นะเราต้องมาสร้างกำลังใจ ด้วยการมานั่งสมาธิกันการจะทำใจให้นั่งสมาธิให้สงบได้เราต้องมีสติก่อนเพราะว่าสตินี้จะเป็นตัวดึงใจให้เข้าสู่ความสงบหรือเป็นเชือกที่จะมัดใจไม่ให้ไปคิดเรื่องราวต่างๆใจนี้เปียบเหมือนกับลิงส่วนสตินี้เปียบเหมือนกับเชือก ถ้าเราอยากให้ลิงนั่งอยู่เฉยๆเราต้องเอาเชือกมามัดมันมัดมันไว้กับเสามัดมันไว้กับต้นไม้พอพอลิงถูกมัดมันก็จะไปเพ่นพ่านไม่ได้ไปทำนู่นทำนี่ไปวิ่งไปทำอะไรไม่ได้ใจของเราก็เหมือนกันถ้าเราต้องการให้ใจของเราสงบเราต้องเอาเชือกมามัดใจของเราเชือกที่มัดใจนี้เราเรียกว่าสติ แต่ตอนนี้เรามีสติน้อยเราไม่สามารถนั่งสมาธิกันได้นั่งปั๊บก็รู้สึกอึดอัดขึ้นมาทันทีเพราะว่าใจมันไม่อยอมนั่งใจมันอยากจะไปทาโน่นทานี่ถ้าเรามีสติเราจะสามารถบังคับให้มันนั่งเฉยๆเหมือนกับการที่เรามีเชือกมัดตัวลิงไว้ ถ้าเรามัดลิงไว้กับต้นเสามัดให้มันแน่นๆมันดิ้นไม่ได้มันก็จะต้องนั่งอยู่เฉยๆฉันใดใจของเราก็เป็นเหมือนลิงมันไม่ยอมหยุดคิดชอบคิดไปเรื่อยๆคิดเรื่องนั้นแล้วก็คิดเรื่องนี้คิดเรื่องนี้แล้วก็ต่อไปเรื่องนู้นคิดได้ทั้งวันคิดแล้วก็เกิดความวุ่นวายใจต่างๆตามมา คิดแล้วก็เกิดความอยากต่างๆตามมาแล้วพอไม่ได้ทำตามความอยากก็เกิดความเสียใจเกิดความทุกข์ใจตามมาอีกนี่คือโทษของความคิดของพวกเราความคิดของพวกเรานี้ 99% ิเปอร์ซนคิดไปในทางความอยากที่ไม่ดีไม่ค่อยคิดไปในทางความอยากที่ดีกันไม่ค่อยคิดว่าทาบุญดีกว่ารักษาศีลดีกว่านั่งสมาธิดีกว่า มักจะคิดว่าไปเที่ยวดีกว่าเอาเงินไปซื้อของฟุ่มเฟือยต่างๆดีกว่าไม่รักษาศีลดีกว่ารักษาศีลแล้วทำอะไรไม่ได้จะมีแฟนหลายคนก็มีไม่ได้จะไปขโมยข้าวของของคนอื่นก็ขโมยไม่ได้จะโกหกหลอกลวงก็พูดไม่ได้จึงไม่อยากจะรักษาศีลกันเพราะใจของเรามันถูกความหลงความโลภความโกรธ หนึงไปในทางของการกระทำที่ไม่ดีต่างๆเราจึงต้องเข้าหาบัณฑิตอย่างพระพุทธเจ้าหาบัณฑิตอย่างพระอริยสงสาวกเพราะว่าท่านเป็นผู้ที่สามารถเอาชนะความอยากได้ท่านหยุดความอยากได้ท่านสามารถนั่งสมาธิทําใจให้สงบได้ท่านสามารถรักษาศีลได้ ท่านสามารถทำบุญทำทางได้ท่านจึงเป็นคนที่ไม่มีความทุกข์ใจเหมือนพวกเราพวกเราอยากจะไม่มีความทุกข์ใจเหมือนพระพุทธเจ้าเหมือนพระอาริยสงสาวกเราก็ต้องยึดพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นแบบฉบับเป็นตัวอยา่างเป็นผู้นำทางเป็นผู้ให้การอบรมสั่งสอน ให้แก่พวกเราพอพวกเราเข้าหาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เราก็จะได้รู้จากวิธีใช้เงินที่จะทำให้เราดับความอยากต่างๆได้เช่นวันนี้เราเอาเงินมาทำบุญกันแทนที่จะเอาเงินไปซื้อของฟุ่มเฟือยหรือของไม่จำเป็นเราก็เอามาทําบุญกันความอยากที่จะไปซื้อของฟุ่มเฟือยก็จะ ลดน้อยลงไปเช่นวันนี้สมมติว่าถ้าเราไม่มาวัดเราอยากจะไปเที่ยวเราก็เอาเงินนี้ไปเที่ยวกันแต่พอเราไปเที่ยวแล้วความอยากเที่ยวมันก็จะมีกำลังเพิ่มมากขึ้นพรุ่งนี้ก็อยากจะไปเที่ยวใหม่ถ้าทำตามความอยากต่อไปก็จะไม่มีเงินเที่ยวก็จะเดือดร้อนจะต้องไปกู้หนี้ยืมสิน ถ้าไม่พอใช้ก็อาจจะไปช่อโกไปรักทรัพย์ของผู้นต่อไปแล้วก็ต้องไปติดคุกติดตารางอันนี้เรื่องของการทำตามความอยากมันจะพาเราไปสู่ความทุกข์ไม่ใช่พาไปสู่ความสุขในทางตรงกันข้ามถ้าเราอยากจะไปเที่ยวแล้วเราไม่ไปเราเก็บเงินนี้ไว้อยู่ที่บ้านก็ได้ เราก็จะตัดความอยากไปเที่ยวให้อ่อนกำลังลงไปวันพวุนี้อยากจะไปความอยากก็จะไม่รุนแรงเหมือนวันนี้แล้วถ้าเราหยุดความอยากไปเที่ยววันนี้ได้พรุ่งนี้เราก็จะหยุดมันได้ถ้าเราหยุดมันได้ครั้งหนึ่งแล้วเราก็จะหยุดมันไปได้เรื่อยๆมันจะง่ายขึ้นไปเรื่อยๆแล้วเงินทองที่เราจะเสียกับการเที่ยวก็จะไม่เสีย เงินทองที่เราที่จะต้องสูญหายไปกับการเที่ยวก็จะอยู่กับเราเราก็จะมีเงินเหลือเฟือไว้กินไว้ใช้อย่างสะดวกสบายถ้าเราใช้เงินกับสิ่งที่จำเป็นนี้ไม่เรียกว่าเป็นการใช้เงินตามความอยากเช่นเราต้องซื้ออาหารซื้อของจาเป็นแต่ไม่ซื้อของที่ไม่จาเป็นเช่นถ้าเรามีเสื้อผ้าพอแล้ว ถ้าเราซื้อเพิ่มมาอีกอย่างนี้เรียกว่าไม่จําเป็นอย่าไปซื้อเพราะเป็นการซื้อตามความอยากถ้าเราซื้อตามความอยากแล้วซื้อชุดเดียวไม่พอเดี๋ยวต้องซื้อไปเรื่อยๆเวลาออกไปนอกบ้านไปเห็นเสื้อผ้าที่เขาแขวนขายอยู่ตามร้านเห็นแล้วสวยถูกใจก็อยากจะซื้อขึ้นมาทันทีทั้งๆ ท, ที่มีเสื้อผ้าอยู่ในบ้านเต็มตู้แล้วแต่ก็อดไม่ได้ เพราะความอยากนี้มันจะทําให้เราไม่สบายใจเวลาอยากแล้วต้องทําความอยากความสบายใจถึงกลับมาแต่มันกลับมาเดี๋ยวเดียวแล้วเดี๋ยวความอยากใหม่ก็จะโผล่ขึ้นมาอีกวิธีที่จะทําให้เราสบายใจอย่างถูกต้องอย่างที่มันจะไม่มีความไม่สบายใจตามมาก็คือเราต้องฝืนความอยากถ้าเราฝืนได้ ความอย่างมันจะอ่อนกำลังลงไปเรื่อยๆถ้าเราไม่มีกำลังเราก็ต้องมาฝึกนั่งสมาธิกันมาฝึกสร้างสติกันก่อนวิธีสร้างสติก็คือให้เราจดจ่ออยู่กับเรื่องใดเรื่องหนึ่งเพียงเรื่องเดียวเช่นให้เราอยู่กับคำบริกรรมพุทโธพุทโธให้ท่องให้ระลึกถึงพุทโธพุทโธไปได้เรื่อยถ้าเราระลึกอยู่กับพุทโธ เราจะไม่สามารถไปคิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้คนนั้นคนนี้ได้พอเราไม่คิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้เช่นเรื่องไปเที่ยวเราก็จะไม่อยากไปเที่ยวความอยากไปเที่ยวก็จะไม่เกิดขึ้นมาแต่ถ้าเราไม่มีพุโทโธคอยควบคุมความคิดเดี๋ยวก็คิดถึงเรื่องเที่ยวพอคิดแล้วก็อยากไปเที่ยวขึ้นมาพออยากแล้วก็อยู่เฉยๆไม่ได้เพราะมันอยู่ไม่เป็นสุขแล้ว นี่คือวิธีแก้ความอยากต่างๆเราต้องใช้สติเป็นเครื่องแก้เวลาเกิดความอยากนี้ให้ท่องพุโทโธพุโทโธพุโทโธไปอย่าไปคิดถึงเรื่องต่างๆแล้วไม่นานห้านาทีเราก็จะลืมมันละพอใจเราอยู่กับพุโทโธพุโทโธเพียงห้านาทีความอยากไปเที่ยวมันก็จะหายไปถ้ามันกลับมาอีกเราก็พุโทโธใหม่ทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆ รับรองได้ว่าต่อไปเราจะเลิกความอยากต่างๆได้แล้วเราจะอยู่เฉยๆอย่างมีความสุขเราจะไม่ต้องมีอะไรมาให้ความสุขกับเราไม่ต้องมีทีวีไม่ต้องมีข้าวของต่างๆไม่ต้องมีเครื่ของเล่นต่างๆไม่ต้องมีอะไรต่างๆเหมือนอย่างที่เรากำลังมีอยู่ในขณานี้<ๆ>แล้วมีก็ไม่ได้หยุดความอยากได้ มีความอยากก็ยังมีเหมือนเดิมและอาจจะมีมากกว่าเดิมเสียได้ซ้ำไปนี่แหละสิ่งที่เราต้องใช้บัณฑิตเป็นผู้มาสอนเราถ้าเราไม่เข้าหาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เราจะไม่ได้ยินเรื่องราวเหล่บนี้ถ้าเราครบกับคนง้อเขาก็จะชวนเราไปทำตามความอยากกันชวนเราไปเที่ยวชวนเราไปเล่น ชวนเราไปซื้อข้าวของต่างๆที่ไม่จาเป็นอันนี้เพราะว่าคนโง่จะคิดว่าถ้าได้ทำตามความอยากแล้วจะมีความสุขแต่ไม่รู้หรอกว่ามันเป็นความสุขแบบยาเสพติดพอทำไปแล้วมันจะติดมันจะต้องทำไปเรื่อยๆแล้วเวลาใดที่ไม่สามารถทำได้ก็จะเกิดความทุกข์ใจขึ้นมาเช่นเวลาไม่มีเงินไปเที่ยว ก็จะมีความทุกข์ใจหรือเวลาร่างกายไม่สบายไปไหนไม่ได้ไปเที่ยวไม่ได้ก็จะเกิดความทุกข์ใจขึ้นมาในทางตรงกันข้ามถ้าเราไม่มีความอยากเที่ยวแล้วเวลาร่างกายไม่สบายเราก็ไม่เดือดร้อนเราก็อยู่บ้านสบายเพราะเราไม่อยากไปเที่ยวอยู่แล้วหรือเวลาเราไม่มีเงินไปเที่ยวเราก็ไม่เดือดร้อน เพราะเราไม่อยากเที่ยว น, น, นี่คือประโยชน์ของการไม่มีความอยากขอให้พวกเราเชื่อพระพุทธเจ้าเชื่อสิ่งที่พระพุทธเจ้าทรงสอนให้พวกเรามากระทำกันสิ่งที่พระเจ้าทรงสอนนี้สอนเพื่อให้เราหยุดความอยากกันวิธีด้วยวิธีต่างๆเช่นด้วยการทำบุญให้ทานอย่าเอาเงินไปซื้อของตามความอยากเอาเงินไปทำบุญแทน หรือไม่เช่นนั้นก็เก็บเอาไว้ใช้กับสิ่งที่จําเป็นแล้วก็ให้เรารักษาศีลอย่าไปทําบาปเวลาเราอยากจะทําบาปถ้าเรารักษาศีลเราก็จะทําบาปไม่ได้เช่นเวลาเราอยากดื่มสุราเมรัยแต่เรารักษาศีลเราก็ดื่มไม่ได้ต่อไปเราก็จะหายความอยากจะดื่มสุราก็จะหายไปถ้าเราไม่ดื่ม เวลาไปสักพักหนึ่งความอยากมันก็จะหายไปเองแล้วถ้าเรามานั่งทําใจให้สงบได้ใจเราก็จะมีกําลังที่จะหยุดความอยากที่เรายังหยุดไม่ได้เช่นความอยากไม่แก่อยากไม่เจ็บอยากไม่ตายนี้เป็นความอยากที่มีกําลังมากพวกเรานี่ทุกกับร่างกายก็เพราะว่าเราไม่อยากแก่ไม่อยากเจ็บไม่อยากตายแต่ถ้าเรานั่งสมาธิทําใจให้สงบได้ ความอยากไม่แก่อยากไม่เจ็บอยากไม่ตายจะหายไปแล้วเวลาเราแก่เราเจ็บเราตายนี้เราจะไม่เดือดร้อนเราจะเฉยเฉยเราจะสบายเพราะความสงบนี้จะทำให้ใจเราสบายทำใจให้เรามีความสุขและทำใจให้เราไม่มีความอยากแก่ไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตาย แวลาเราต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายนี้เราจะไม่เดือดร้อนเราจะไม่ทุกข์เลยนี่คือประโยชน์จากการที่เราเชื่อพระพุทธเจ้าเชื่อบัณฑิตประโยชน์ที่เกิดจากการเข้าหาบัณฑิตเข้าหาคนฉลาดเราจะได้รู้จักวิธีดับความทุกข์ดับความวุ่นวายใจต่างๆให้หมดไปจากใจของพวกเราแล้วเราจะได้ไม่ต้องกลับมา เกิดแก่เจ็บตายอีกต่อไปเพราะสิ่งที่จะทำให้เรากลับมาเกิดใหม่ก็คือความอยากนี่เองถ้าเรายังอยากเที่ยวเราก็ต้องมีร่างกายพอเราตายไปร่างกายนี้ตายไปเราก็ต้องกลับมามีร่างกายใหม่เพื่อจะได้เอาร่างกายนี้พาเราไปเที่ยวพาไปดูไปฟังไปเดินไปรับประทานอะไรต่างๆ แต่ถ้าเราไม่มีความอยากเที่ยวไม่อยากดูอยากฟังเราก็ไม่ต้องมีร่างกายอันใหม่พอ ร, ร่างกายอันนี้ตายไปเราก็ไม่ต้องกลับมาเกิดใหม่อีกต่อไปเ <Alcohol. S 2> มื่อไม่เกิดเราก็ไม่ต้องมาแก่มาเจ็บมาตายไม่ต้องมาต่อสู้กับความอยากต่างๆไม่ต้องมาต่อสู้กับคนนั้นคนนี้ไม่ต้องมีเรื่องมีราวกับคนนั้นคนนี้เพราะเราไม่มีความอยาก นี่คือสิ่งที่เราควรที่จะเข้าหากันเข้าหาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ด้วยการฟังเทศฟังธรรมด้วยการศึกษาประวัติของพระพุทธเจา้าศึกษาประวัติของพระอริยสองสาวกทั้งหลาย mm hmm. เพื่อเราจะได้รู้จักวิธีปฏิบัติตัวเราเพราะว่าเราจะได้เห็นปะตัวอย่างที่ดีและเราจะได้เอาตัวอย่างที่ดีนี้ มาเป็นแบบเป็นฉบับตอนนี้พวกเรามักจะไปเอาตัวอย่างที่ไม่ดีมาเป็นแบบฉบับกันเช่นไปเอาแบบฉบับของดาราภาพยนต์ของนางงามของนายแบบนางแบบเห็นเขาใส่เสื้ออย่างไรทำผมอย่างไรใช้กระเป๋าแบบไหนใช้รองเท้าแบบไหนก็เอาแบบเขาแบบอย่างนี้ไม่ดีเพราะทำให้เราเสียเงินเสียทอง ทำให้เรายากจนเอาแบบพระพุทธเจ้าดีกว่าแล้วจะทำให้เราร่ำรวยทำให้เรามีความสุขไม่มีความทุกข์ใจนี่คือเรื่องของการเข้าหาบัณฑิตเพื่อเอามาเป็นแบบเป็นฉบับตอนนี้พวกเราหาคนโง่มาเป็นแบบเป็นฉบับกันเอาคนที่เขาแต่งตัวสวยๆเอาคนที่เขามีข้าวของเงินทองมากมาย แต่เราไม่รู้ว่าใจของเขานี้ร้อนเป็นไฟกินไม่ได้นอนไม่หลับเครียดอยู่ตลอดเวลาเพราะว่าเขามีความอยากอยู่ตลอดเวลายิ่งได้มามากเท่าไหร่ยิ่งอยากได้มากขึ้นไปเท่านั้นจนในที่สุดถึงกับต้องฆ่าตัวตายกันพวกดาราภาพยนต์พวกคนที่มีเงินมีทองนี้ถ้าเขาไม่สามารถควบคุมความอยากได้เขาก็จะ หาสิ่งต่างๆมาให้ความสุขกับเขาเช่นยาเสพติดต่างๆเสพไปจนในที่สุดก็ร่างกายก็ต้องตายไปก่อนวัยอันควรนี่คืออำนาจหรือโทษของการทําตามความอยากขอให้เราเห็นโทษของมันให้เห็นว่ามันเป็นเหมือนงูพิษอย่าไปเชื่อมันอย่าไปทําตามมันอย่าเข้าหามันให้หนีจากมันไปให้ไกลอย่าไปอยู่ใกล้มัน เวลาเกิดความอยากนี้ให้ใช้พุโทโธหนีเลยท่องพุโทโธพุธโทโธพุธโทโธไปเพียงอย่างเดียวแล้วเดี๋ยวไม่นานใจก็จะสงบความอยากก็จะหายไปจึงขอฝากเรื่องของการเข้าหาบัณฑิตเพื่อเป็นการเสริมสิริมงคลให้แก่ชีวิตให้ชีวิตเรามีแต่ความสุขความเจริญปราศจากความทุกข์ความวุ่นวายใจต่างๆ ให้ท่านได้นำเอาไปพิิศพิจารณาและปฏิบัติเพื่อประโยชน์สุขที่เลิศที่ประเสริฐที่จะตามมาต่อไปการแสดงก็พอสมควรแก่เวลาจึงขอยุดติไว้เพียงเท่านี้ขอคุณพระศีรัตนไตรและบุญกุศลที่ท่านได้มาบำเพ็ญกันในวันนี้จงเป็นเหตุเป็นปัจจัย ให้ท่านมีแต่ความดสุขและความเจริญด้วยอายุวรนณาสุขภาภาระโดยทั่วหน้ากามเธอ